เพราะเหตุไรสมเด็จพระนเรสวนมหาราชจึงยังไม่มาเกิดมีสมาชิกหลายท่านมีจดหมายมาถามว่าเพราะเหตุไรสมเด็จพระนเรสวนมหาราชจึงยังไม่มาเกิดปัญหาในธรรมนองนี้มักจะถูกถามบ่อย ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยอธิบายมามากว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็จะต้องเกิดทันทีคือเกิดเป็นโอปปาติกะรู้สึกว่าคำพูดประโยคนี้จะไม่ค่อยเข้าใจกันคนทั้งหลายยังมองไม่เห็นว่าการเกิดเป็นโอปปาติกะนั้นก็ถือว่าเป็นการเกิดแล้วส่วนการที่จะเกิดมาเป็นคนอีกหรือไม่นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง เมื่อถามว่าทําไมจึงยังไม่เกิดความหมายของผู้ถามก็มักจะหมายถึงการเกิดเป็นคนถ้าบอกว่าผู้นั้นผู้นี้ไปเกิดเป็นโอปปาติกะคนทั่วไปจะรู้สึกว่าผู้นั้นยังไม่ได้เกิดความเข้าใจผิดในทํานองเนี้ยยังมีอีกมากความจริงก็น่าเห็นใจเพราะชีวิตของโอปปปาติกะทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น และถึงแม้จะเชื่อว่าชีวิตประเภทนี้มีอยู่แต่ก็ไม่แจ่มแจ้งยังคงมีความสงสัยลังเลหลายอย่างทั้งนี้ก็เพราะความเคยชินที่ติดแน่นอยู่ในสันดานของมนุษยชาติทั่วไปก็คือสิ่งใดท้าตามองเห็นหูได้ยินหรือสัมผัสดได้ด้วยประสาททั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นจึงจะยอมรับว่าสิ่งนี้มีอยู่จริง ความเข้าใจผิดอันนี้นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าความรู้ที่ได้มาจากทางประสาทสัมผัสนั้นเป็นความรู้ที่จำกัดและมักจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้เสมอถ้าหากเรายึดมั่นในความรู้ประเภทนี้จนเกินไป พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตมีอยู่สี่ประเภทคือชลาพุชะชีวิตที่ออกมาเป็นตัวเช่นคนอย่างนี้เป็นต้น 2. อ, อันทชะชีวิตที่ออกมาเป็นไข่แล้วมาฟักเป็นตัวข้างนอกเช่นเป็ดหรือไก่เป็นต้น 3. ส, สังเสรชะชีวิตชั้นต่ำเช่นพวกจุลินทรีย์ต่าง 4. โอปปาติกะชีวิตที่เกิดจากวิญญาณของตัวเองล้วนๆโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นชีวิตที่ปรากฏเป็นรูปร่างใหญ่โตขึ้นมาทันทีซึ่งแต่ก่อนแปลกันว่าชีวิตที่ผุดเกิดชีวิตประเภทนี้ก็เหมือนกับตัวตนในความฝันซึ่งเกิดจากจิตไร้สำนึก ขอให้สังเกตว่าในเมื่อยอมรับว่าชีวิตที่เรียกว่าชลาพุชะอันตชะและสังเสธชะมีจริงโอปปาติกะก็ต้องเป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงๆโดยธรรมดาชีวิตแต่ละประเภทก็ยอมจะมีกฎเกณฑ์ของมันโดยเฉพาะชีวิตของโอปปาติกะทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะมาคิดกะเกณฑ์ให้เหมือนกับชีวิตในโลกมนุษย์นี้ทุกอย่างไม่ได้ แต่มันก็มีหลักเกณฑ์อะไรหลายอย่างที่เหมือนกันขอได้โปรดคิดว่าเกณฑ์อายุขของสิ่งที่มีชีวิตต่างๆในโลกนี้ก็ยังไม่เหมือนกันเช่นชีวิตบางอย่างมีอายุเพียงไม่กี่วันก็ตายแต่ชีวิตบางอย่างมีอายุนับเป็นร้อยร้อยปีชีวิตพวกโอปะปะติกะก็เหมือนกัน บางภูมิก็มีอายุสั้นบางภูมิก็มีอายุยืนยาวมากนับเป็นล้านล้านปีโดยเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์และบางชีวิตก็นับเป็นกับกับคือมีอายุยืนยาวยิ่งกว่าอายุของโลกนี้หลายเท่าเพราะฉะนั้นการที่สมเด็จพระนเรสวนยังไม่มาเกิดเป็นคนนั้นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาและข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้แน่ว่าท่านจะต้องอยู่ในโลกนี้นานสักเท่าใด กว่าจะสิ้นกรรมหรือสิ้นอายุไขถ้าหากเราเข้าใจถึงเรื่องกฎเกณฑ์กว้างๆดังที่กล่าวมาเราก็จะไม่สงสัยเลยว่าทำไมบางคนซึ่งตายไปนานหลายร้อยปีแล้วจึงยังไม่มาเกิดสักทีและก็ควรจะรู้ด้วยว่าสำหรับผู้ที่มีบุญ ตายแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะนั้นมีความสุขยิ่งกว่าชีวิตในโลกมนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่าเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ใดจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ในสวรรค์ซึ่งอยู่อย่างมีความสุขเป็นเวลานานๆเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปกะเกณหรืออยากจะให้คนเหล่านี้มาเกิดเป็นมนุษย์อันที่จริงคนที่สงสัยว่า ทำไมสมเด็จพระนเรศวรหรือใครก็ตามซึ่งตายไป น, นานแล้วนับเป็นร้อยๆอยปีหรือพันพันปีจึงยังไม่มาเกิดเป็นคนนั้นก็มีความหมายเท่ากับเมื่อเราเห็นคนบางคนในโลกนี้ที่มีอายุเกือบจะร้อยปีหรือร้อยกว่าปีแล้วก็ถามว่าทําไมท่านเหล่านี้จึงยังไม่ตายสักทีในเมื่อท่านเหล่านี้เองก็ยังมีความสุขร่างกายยังแข็งแรงไปไหนมาไหนได้ ผู้ที่ถูกถามหรือผู้ที่ได้ยินคนอื่นเขาถามถึงท่านเหล่านี้นั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรปัญหาในทำนองเนี้ยเราควรจะยุติกันมานานแล้วแต่ก็ยังมีคนอดถามมาไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้คิดปลงกันเสียให้ตกว่าไม่ว่าเราจะอยู่เป็นคนหรือเกิดเป็นโอปปาติกะต่างก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันและแต่ละคนย่อมจะมีอายุไม่เท่ากัน พวกที่มีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาติกะเพียงไม่กี่วันหรือบางคนเพียงไม่กี่นาทีแล้วก็จุดติมาเกิดในโลกมนุษย์ก็มีเช่นเดียวกับเด็กบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องหรือบางคนพอคลอดออกมาไม่นานเท่าไหร่ก็ตายอย่างนี้เป็นต้นและโปรดทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่มีการตาย ซึ่งหมายถึงชีวิตที่ยังมีกิเลสยังมีวิบากการตายของชีวิตประเภทนี้ก็คือการเกิดใหม่ถ้าหากเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่กล่าวมาแจมแจ้งดีก็หวังว่าคงจะไม่สงสัยในทํานองที่ว่าทำไมท่านจึงยังไม่มาเกิดในตอนต้นของแววเสียงสวรรค์ ข้าพเจ้าได้พูดถึงข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ว่านักวิทยาศาสตร์สามารถบันทึกเสียงของผู้ตายไปแล้วได้พบเสียงจากวิญญาณแทรกในดาวเทียมข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีหลายคนที่ไม่ได้อ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นี้และเพื่อต้องการที่จะรักษาเอกสารชิ้นนี้ไว้จึงได้ขอถ่ายทอดนามาลงในหนังสือวิญญาณนี้ด้วยดังต่อไปนี้